Thank <laughs> you. อาโหาสิกรรมไม่มีเวรมีกรรมต่อกันอาหังขมามิตุมเฮ ห, หิปิเมฆมิตับบงัง เ, เอวังหตดุเอวังหตุโยจะปุบเบปะมัชิตตวาประชาโซนัปมัชติ สมมังโลกังปภะเสติอภามุตโตวจันนิมายัสสะปะปังกตังกรรมังกุสเลนะปัญญติสัมมังโลกังปภะเสติอภามุตโตวจันนิมาอภิวารณะสิริสานิจังุทธาปจายโนจตาโหธรรมวัฒนติอายุวโนสุขังพะรัง Ahem. <laughs> ขอนที่หลังขับให้คารอบนี้ถือว่าเป็นรอบสุดท้ายนะ <c oughs> ่รอบสุดท้ายแล้วมาถึงตอนนี้ยิ้มออกแล้วยังอันนันก็ไม่ถูกใจอันนี้ก็ไม่ถูกใจอนนนก็ชอบใจอัน น, นี้ก็ชอบใจทำไมมันมีต้งชอบใจ มันมีทั้งถูกใจมีทั้งไม่ถูกใจทำไมถึงมีทั้งชอบใจทำไมถึงถึงมีทั้งไม่ชอบใจสำคัญที่สุดคือใจของเราของท่านนะมันริหาเรื่องอยู่อย่างนั้นแหละยังไงจะได้รับความสะดวกสบายอยังไงจะได้รับความสะดวกสบายพอเรื่องของกิเลสมันไม่เคยยอมให้ตกดินแหละและไม่ยอมเสียท่าใครด้วยไม่ยอมเสียเปรียบใครด้วยไม่ยอมเสียท่าใครนั่นแหละคือเสียท่า ไม่ยอมเสียเปรียบใครนั่นแหละคือเสียเปรียบถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วเสมอราเหมือนอยาก ร, รมาที่ผู้ได้ฟังนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเขาจึงมีการขอเข้ามากันเพราะในระหว่างที่มาเกี่ยวข้องกันมาผูกพันกันเนี่ยบางคนนี่มันไม่เข้ากันจริงๆนะไปดูในกลุ่มนักเลงกันเห็นหน้ากันท่านนันแหละคําเมนแล้วถ้าเราไม่รักษา ใจของเราเนี่ยถ้าเราไม่รักษาใจของเราเราจะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมาทันเลยเลยพุ๊บปุ๊บมันออกแล้วปุ๊บ ป, ป <S <S มันออกแล้วปุ๊บปุ <S <S มันออกแล้ว <art> โอกาส <eight> ที่จะที่มันจะดูตัวเองไม่ดูดอกโอกาส <inaire> ที่จะติตัวเองไม่มีดอกโอกาส <S <S ที่จะชมตัวเอง <S <S <S มีเป็นส่วนมากโอ้ยเราอย่งั้นเราอย่างางี้คนนั้นไม่น่าจะอย่างนั้นคนนี้ไม่น่าจะอย่างนี้พฤติกรรมเหล่านี้คือพฤติกรรมของกิเลสทั้งนั้น ท่านทั้งหลายดูให้ละเอียดศึกษาให้เข้าใจแต่ก็น่าเห็นใจเพราะการฟังธรรมะนั้นเป็นศิลปะที่ละเอียดอ่อนมากโอ้เราจะทําเสียงเราจะทําตัวยังไงมันจะได้อ่อนช้อยเท่ากับศิลปะการฟังธรรมเป็นศิลปะที่ละเอียดอ่อนมากบางทีเราไม่มีศิลปะเลยอ่า ศิลปะไหนมันก็ไม่เข้าใจมันก็ไม่ทั่วถึงใจของเราเพราะเราไม่เข้าใจในขณะที่เราฟังถ้าหากเราตั้งใจฟังแล้วธรรมมันธรรมะมันก็จะเข้าสู่หัวใจบางทีมันฟังแต่ผิวเผินธรรมะไม่เข้าสู่ใจในเมื่อธรรมะไม่เข้าสู่ใจมันก็ไม่เข้าใจลําบากมากธรรมะพระพุทธเจ้ากันเดียวนั่นแหละเทศจบปุ๊บหัวใจบางดวงตกนรก หัวใจบางดวงเป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมหัวใจบางดวงได้เป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติดีเพื่อปฏิบัติชอบเพื่อคุณงามความหัวใจบางดวงได้เป็นพระโสดาบันหัวใจบางดวงได้เป็นพระสกิทาคาบางดวงได้เป็นพระอนาคาบางดวงได้เป็นพระอรหันต์ลุดไปเลยพ้นไปเลยบางดวงปรับจากพื้นนไปเป็นเทวบทเป็นเทวดาปรับจากภาวะของความเป็นผีเป็นเปรตเป็นดวงวิญญาณ ปรับสภาพมาเป็นพพเป็นชาติได้รับความสะดวกสบายเป็นเทวดาชั้นพื้นๆชั้นสูงละเอียดขึ้นไปโดยลําดับนี่คืออะไรคือศิลปะในการฟังมันขึ้นอยู่กับภูมิจิตภูมิธรรมของเรามันขึ้นอยู่กับภูมิสติภูมิปัญญาของเราพระรุจิยะท่านทรงแสดงธรรมการแรกปฐมเทศนา ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านพูดว่าโอ้ยพรูพระเจ้าแสดงธรรมกันแรกเกือบไม่ได้อะไรเลยโอย้เจ้าของฟังรถค้นลุกเลยเหมือนกระรมเหมือนจะหลุดไม้หลุดมือไปนะแท้ที่จริงปัญหาใดๆทั้งสิ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระองค์ขึ้นอยู่กับผู้ฟังทั้งนั้นนะปัญจพักคีทสห่านะเขาลงใจกับพระองค์มากได้มากน้อยเท่าไหร่ตอนนี้มีเวลาเราเท่าไหร่รเดี๋ยวพูดไปอีกฟาดไปสองามชั่วโมองอีก ตายพอดีร้องโอ๊ะโอโอโ อ, อยู่นี่เลยด้วยเหตุที่เราปรับเราไปเที่ยวค่ำสองทุ่มสามทุ่มโอ้ไปนั่งหลับอยู่คอยอยู่นั่นแหละตอนนี้เราเราแช่เย็นได้แล้วตอนเนี้เมื่อก่อนเราจะรีบไปแต่กลางวันเขาก็พยายามจะปรับนู่นปรับนี้ให้เราแต่ตอนนี้ปรับยังไงมันก็ไปไม่ได้ปรับยังไงมันก็ไปไม่ได้ไหนสุดเราก็จําเป็นจะต้อง ไปตอนเที่ยวสุดท้ายตอนนี้เราใจเย็นแล้วแต่ผู้ที่จะออกเนี่ยแหละบางคนก็ใจร้อนบางคนก็ไม่อยากออกเลยแหมชุ่มฉ่เย็นสบายเหลือเกินแ่มพูดดีพูดเลิศช่างประเสริฐแท้เทศฟังเข้าใจง่ายๆรู้เรื่องโอไม่รู้พูดอะไรโมโหข้อธรรมที่เอามาพูดก็ไม่มีฟังยัยไม่รู้เรื่องรู้เรื่องไม่เข้าใจเราเคยฟังแต่แนวปริยัติท่านมาตั้ง ท่านมาตั้งเอาไว้ฮีริคือความร่ายก่ใจทํานั้นทํานี้ทำนี้ทำนั้นระวมแต่ฟังภาคธรรมนั้นท่านจึงให้เรามาจอดูที่หัวใจของเราใจมันจะสัมผัสสัมพันธ์ไปหมดกับคําพูดคําเทศของท่านมันจะสัมผัสสัมพันธ์กันไปหมดเราไม่ไม่ใช่ฟังหัวหัวเรื่องอไม่ใช่ไม่ใช่ฟังแต่หัวเรื่องแล้วกระจายพอหมดเรื่องนี้ขึ้นหัวเรื่องใหม่ หมดเรื่องนี้ก็ขึ้นหัวเรื่องใหม่แต่อันนี้ท่านจะท่านจะโยงธรรมะเข้าสู่กันหมดเลยในในนี้นะธรรมะทุกอย่างธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้แต่บทใดบาทใดแต่ละหัวข้อเนี่ยไม่มีข้อใดแม้หนึ่งเดียวที่จะขัดแย้งกันไม่มีไม่มีเข้ากันได้หมดธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงอัศจรรย์มากพระอนะคาคตรบ่ายจาร์ที่ท่านเข้าใจ ธรรมะท่านกพยายามจะพูดโยงหัวข้อนั้นหัวข้อนี้หัวข้อนี้หัวข้อนะหัวข้อไหนไหนมันก็ขึ้นขึ้นอยู่กับใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราต้องการจะจะรู้เราจะเข้าใจเราจะต้องจ่อมาที่หัวใจของเราหัวใจหูเราไปเป็นหูเป็นอะไรมันไปสัมผัสปั๊บมันจะมาพันที่ใจของเราไปใจใจของเราจะเริ่มเข้าใจจะเริ่มรู้เรื่องจะตามเกาะติดฟังเทศได้แบบนี้เป็นฟังเทศที่เข้าใจเนื้อหาสาระได้ละเอียดมาก ตามเกาะได้หมดนะแล้วให้ความสําคัญสิ่งหนึ่งเดียวคือหัวใจของเรามันจะตามเกาะไปหมดนะเรานี่ตั้งหัวเรื่องเราพูดไม่เป็นดอกตั้งหัวเรื่องเนี่ยพูดไม่เป็นถ้าถ้าเราจะตั้งหัวเรื่องเราจะตั้งหัวเรื่องกว้างที่สุดใหญ่ที่สุดมหาสติปัฐานเะนี่ยใช่ไหมครอหมดเลย <laughs> มหาสิติปฐานเราตั้งไม่เป็นดอกตั้งไม่เป็นเพราะจบปุ๊บ มันไปยังไงมันจะพันกันไปเลยมันจะพันกันไปเลย เ, เราพยายาม ฟ, ฟังภาคปฏิบัติให้เปลี่ยนเราจะไปฟังแต่ภาคปริยัติมันก็ใกล้ๆกันนั่นแหละภาคปริยัติกับเพื่อปฏิบัตินั่นแหละแต่ถ้าหารวใจของเราหมุนมาข้างในยังไม่เปลี่นฟังไม่เปลี่ยนอย่าว่าแต่พวกเราเลยลุงตาท่านป ร, ริยนรมแท้ๆสามประโยคนมฟ่อไปฟังเทศหลวงปู่มัน่นฟังไม่รู้เรื่อง ฟังไม่รู้เรื่องไปฟังเทศลพบุรีมัน่นฟังไม่รู้เรื่องมหาปริญญาฟังเทศเจ้าฟ้าเจ้าคุณชันสมเด็จขั้นสมเด็จสังฆราชขั้นไหนระดับไหนฟังเข้าใจรู้เรื่องหมดแต่ไปฟังเทศลพบุรีมัน่นไม่รู้เรื่องเพราะพื้นฐานทางด้านจิตใจของเรามันไม่ ม, มีมันมีแต่พื้นฐานของปริญญาเรื่องเหล่านี้เราต้องทำความเข้าใจสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังให้มาก เราจะต้องเอามาจินตะสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนั่นแหละคือสุตะสุตะเรามาใคร่ครวนคํานึงใคร่ครวนให้มากนั่นแหละมันจะเป็นจินตะเสร็จแล้วเวลาเอามาภาวนาเาก็มาหมุนอา่าได้ทุนได้รอนมาจากสุสสตักนิดๆหน่อยๆเราก็มาหมุนหมุนหมุ น, ม น, ม น, มนจนเกิดปัญญาเกิดปัญญาขั้นสูงสุดปัญญาญานเกิดความรู้ความเห็นเกิดยานทัศนะนี่คือภาคปฏิบัติ เระฉะนั้สัจธรรมสัจธรรมสัจธรรมสัจธรรมนี้มีความจําเป็นเกี่ยวข้องกันตลอดสัจธรรมสปริยัติปฏิบัติปฏิเวทขาดอย่างใดอย่างหนึง่งก็ไม่ได้เราบอกแม้แต่เราบอกเราบอกเล่าอย่างนี้นี่ก็ถือว่าเป็นปริยัตอย่างหนึ่งแต่มันจะเป็นปริยัตภาคทฤษฎีหรือเป็นปริยัตภาคปฏิบัติภาคทฤษฎี ator, เป็นภาค วิธีการเป็นภาคพิธีการเป็นภาคปริยัตภาคปฏิบัตินั้นคือเอาข้อเท็จจริงจากการที่เราตั้งใจปฏิบัติมาพูดบางทีก็มีเหตุผลมีข้อเท็จจริงมีผลปรากฏที่มันโผล่ขึ้นมาด้วยกันถ้าเราฟังออกเราจะรู้เรื่องนี่คือภาคปฏิบัติปริยัตอยู่แต่มันปริยัตภาคปฏิบัติอ่เป็นปริยัตภาคปฏิบัติเราพูดทั้งปริยัตพูดพูดทั้งปฏิบัติปริยัตปฏิบัติ ผู้ฟังได้รับความรู้มากน้อยเท่าไร่ถึงไม่ได้กิเลสชั้นนั้นหลุดไปชั้นนั้นหลุดไปชั้นนั้นหลุดไปก็ถือว่าทําให้เราได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจก็ถือว่าเป็นปฏิเวทปฏิเวทขั้นหนึ่งระดับหนึ่งแต่ปฏิเวทขั้นสูงสุดก็คือสลัดสละสละัดตัดกิเลสได้บางส่วนได้นี่คือการฟังธรรมตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าเนี่ยการฟังเป็นเรื่องสําคัญทั้งนั้นพอมายุคสมัยปัจจุบันนี้มันมีสมมติ เพิ่มขึ้นอีกมากมายเครื่องไม้เครื่องมือตัวหนังสือคําบอกคําสอนคําแปลคําอะไรอะไรสารพัดเพิ่มขึ้นมาบางทีเราก็ไปติดในสิ่งเหล่านี้ซะโอกาสที่เราจะมาใคร่ครวนก็จกดจําให้มากเดี๋ยวนี้คนจําไม่ค่อยได้จําไม่ค่อยมากเพราะเรามีเครื่องช่วยจำเยอะแยะสมัยก่อนเรามาคิดดูว่าพระเจ้าพระนิพพานไปแล้วตีร้อยปีถึงมีการจดจรึกพระศาสนาอยู่มาได้ยังไงจำสืบต่อต่อเนื่องกันมา นี่เราพูดทางนี้นี่มันยองไปถึงว่าเทคนิคในการฟังศิลปะในการฟังทั้งนั้นศิลศิลปะในการฟังมันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับภูมิกับชั้นของผู้ฟังรุ่นในเจ้าพยายามอธิบายให้ปัญจวัคคีฟังเราได้บรรลุธรรมแล้วนะปัญจวัคคีก็ทึ่งใจบรรลุได้ยังไงคลายความเพียรเวียนมาเพื่อมากๆเสร็จแล้วจะมาบรรลุธรรมได้ยังไง เธอจองระลึกบ่าเราอยู่มาด้วยกันกี่เดือนกี่ปีคําเหล่านี้เธอเคยได้ยินไหมเออใช่ไม่เคยได้ยินเนี่ยบางองแค่แค่อดใจฟังเท่านั้นเองอาจจะไม่ได้ตั้งใจฟังมากน้อยเท่าไหร่ความเรื่องแสงสต า, ย, ส า, ย, สา ย, ยังไม่มีแต่พระอัญญาโกณทัญญะเขาก็เชื่อมโยงถึงอ น, นิสงของท่านท่านทําอะไรท่านอยากได้ก่อนท่านอะไรท่านอยากได้ก่อนท่านจึงได้แค่ดวงตาเห็นธรรม การฟังเท่านี้เหตุปัจจัยไม่ใช่อยู่ที่พระพุทธเจ้าอยู่ที่ผู้ฟังทั้งนั้นทั้งสามสี์โอท่านเริ่อมสายัตยามากน้อยเท่าไหพร้อมที่จะฟังไหมพราะนั้นจะรู้เรื่องอะไรไงไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องพระอัญญากนทย่ได้กํำลังจดจ่อฟังรู้เรื่องคนเดียวโอ้ใช่ท่านพูดถึงกองสังขารสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามเป็นกองสังขารมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาแค่เนี้ย ยาณทัศนะในใจโปลขึ้นมาแค่นี้พระยาโกธัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมพระรูทีเจ้าปากท่านก็นสอนไปใจท่านก็นดูไปใจดูใจนะตาก็ดูข้างนอกใจก็ดูข้างในพระยาโกธัญญาได้เข้าถึงกระแสธรรมพระองค์ก็รู้โอ้ใจเขาเข้าถึงกระแสธรรมแล้วเนี่ยเยี่ยมไหมนั่นคือศาสด า, ศาจนพระองค์พระองค์อดอุทานไม่ได้อัญญสิอัญญสิก อัญญาสิวัตโพกโกนันโยอัญญาสิวัตโพกโกนันโยอดอุทานไม่ได้ถ้าเป็นนักวิชาหรือนักทดลองเหมือนอย่างพวกเรานี่ก็อดที่จะภูมิใจไม่ได้ในผลงานที่เราไปลองแล้วมันได้ผลอดอุทานอดปลื้มใจอดดีใจไม่ได้แต่ไม่ได้ดีใจแบบกเกลิ่นแบบกเกลิ่นพาดีใจเหมือนอย่างพวกเราดีใจแบบแบบพระพุทธเจ้าก็คือดีใจโอ้ตลอดทั้งพบชาติอกีกับการบรชาตมาที่เราส่งเสริมมาสังสมอบรมมา ได้ประสบผลสําเร็จแล้วเนอได้ประสบผลสําเร็จแล้วเนอในเมื่อมี9้าจะต้องมี 9, 9้9 3เมื่อจะต้องนึกในเมื่อมีคนหนึ่งจะต้องมีคนที่2คนที่3ามในในสุขสมความพระสมพระประสงค์ของพระองค์ถึงขนาดนั้นก็ตั้ง45พระพันาสาทรงเสียสละเดินเทศนาบอกสอนอบรรดาพระสาวกทั้งหลายทั้งปวงกว่าจะบริสถานพระพุทธศาสนาได้พิกษุภิษุนีบาสกุบาจิกา พร้อมที่จะเป็นปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงแล้วเออปล่อยแล้วปล่อยวางแล้วในเมื่อพระองค์ปล่อยวางพระองค์ก็ปรองพระชนอายุสังขารกําหนดวันอีกสมเดือนข้างหน้าเราจะพระนิพพานจากวันเพ็ญเดือนสไปกันถึงกลางเดือนหกสเดือนพอดีพระองค์ก็พระนิพพานนะฮะอายุแค่80ิพระพรรษาท่านเองทั้งๆ ท, ที่ยุคนั้นน่ะยุคคนอรุอายุร้อยปีก็มี แต่พระองค์ก็สร้างผลงานเป็นที่สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วพระองค์ก็ดับขันข้าสู่มหาปรินิพานเหตุปัจจัยทุกอย่างพระองค์พร้อมหมดทุกอย่างพระพระองค์เป็นคนสมบูรณ์แบบครบหมดทุกอย่างไม่เคยมีอะไรบกพร่องอย่างนั้นท่านจะมีปริศนามาให้พวกเราได้ยินได้ฟังเหรอมุสลิเจ้าท่านประสูติวันเพยนเดือน6ตรัสรู้วันเพลนเดือน6ปรินิพานวันเพลนเดือน6แสดงธรรมะวันเพลนเดือน8 ประชุมมาค่าบุญชาวันเพนเดือนสามติวันเพนทั้งนั้นเลยมิวันเต็มเป็นปริศนาธรรมบอกถึงพระองค์น่ยไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องอเป็นผู้เชี่ยนชนะเด็ดขาดหมดทุกอย่างไม่มีแพ้สิ่งใดๆทั้งนั้นแม้แต่พระเทวทพย า, ยามเอาชีวิตพวกเธอทั้งหลายไม่ต้องไปวิ ต, ตกข้างวนชีวิตเราน่ะไม่มีใครพยายามจะทําอะไระจะไม่ตายด้วยความพยายามของใครทั้งนั้น พระองค์บุญญาบา ร, รมีของพระองค์เทวดาทั้งหลายห้อมล้อมพระองค์อยู่มันจะมีอะไรไปทําพระองค์ได้ฤทธเดชของอะไรที่ทําให้พญามาทั้งหลายไปไปพยชนพระองค์ไม่ได้ก็บุญญาบา ร, รมีของพระองค์นั่นเองพระองค<ม>์นั่งใช้ไม่ต้องไปต่อกกอ น, น, นเลคุณสมบัติที่ทําบ็เสร็จเสร็จสับเ ร, รียบร้อยหมดแล้วแหละเป็นอัตโนมัติในตัวเลยบุญกุศลเหล่านั้นมาปกป้องคุ้มครองพระพระองค์ทําให้องค์แคล้วคลาดปลอดภัยนี้เราพูดถึงปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ย ทําไมถึงได้มนุษย์ทำแค่หนึ่งองค์งองค์มองค์่องค์าองอบรมได้วันละหนึ่งองวันที่2วันที่3ได้3องค์วันที่4ได้อีกหนึ่งองเป็น4องค์วันที่5ได้ครบหมดทั้ง5องค์วันที่6สแสดงอนัตตลัคนะสูตรเพราะธรรมะยังไม่ถึงที่สุดทศดาวนักแค่ละสักกายทิฏฐิมันยังมีอัตตาส่วนละเอียดลึกเข้าไปอีกละออกยังไม่ได้ยังไม่หมด พอทุกคนเข้าถึงกระแสธรรมกันหมดแล้วก็ไปทรงแสดงอนัตตะลักนาสูตรพูดถึงความไม่มีตัวไม่มีตนเพื่อที่จะหมดทําลายตัวอัตตาตัวนี้แหลกกระจายหาไปหมดทําลายได้อยู่แยกดินแยกน้ําแยกลมแยกไฟได้อยู่ทาลายแค่สักกายญาทิทิฏฐิทิฏฐิที่เคยยึดถือว่าเป็นกายเราว่าเป็นกายของของเราเห็นสาคัญมั่นหมายให้ความสําคัญแค่ว่าโอ้เป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟมาก่ะกลุ่มกันเท่านั้นเอง ภาวะความเป็นตัวเป็นตนที่ยึดมั่นถือมั่นอย่างเหนียวแน่นมันของมันก็เบาไปเบาไปเบาไป บ, บ, บ, บางไปละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศิลปตพาปรามากแค่นั้นเองใ น, ในสังโยชน์เบื้องต่ำละได้แค่สาพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาถึงได้ล ะ, ละสังโยชน์เบื้องต่ำได้ทั้ง5้ า, า, า, า, ากามราคะ ปฏิฆะกามรรคะปฏิฆะขั้นอนาคามีละได้เด็ดขาดนี่คือสังโยชน์เบื้องต่ำห้าจากนั้นเรามาคิดดูสังโยชน์เบื้องบนสังโยชน์ที่ละเอียดมีอยู่เฉพาะจิตทั้งนั้นยังเหลืออีกทั้งห้ารูปประคะรูปประคะมานะอุทจักอวิชาสิ่งที่ผูกใจสิ่งที่มัดใจร่องรอย หรือเงาหรือกลิ่นไอของอวิชชาตันหาวปาทานเนี่ยที่มันยังหอหุม้มจิตของเราเราชักเราลั่งออ ก, กยังไม่หมดเนี่ยเพราะฉะนั้นวันวันที่6พระองค์แสดงอนัตตะลักนาสูตรเป็นการทําลายหมดจดโดยที่ยึดอะไรไม่ได้แม้แต่หนึ่งเดียวสักอย่างเดียวยึดไม่ได้สักอย่างเดียวทุกอย่างที่มีอยู่บนโลกไปนี้ล้วนเป็นผู้ที่มีใจเป็นธรรมและมองและเห็นเป็นธรรมไปหมด มองเห็นเป็นเรื่องของธรรมะไปหมดเห็นเป็นเรื่องของธรรมดาไปหมดเห็นเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นไปหมดเห็นเป็นเรื่องของสภาวะธรรมตามีตามเป็นของมันไปทั้งหมดไม่ได้ไปยึดอะไรเสียอย่างตาเห็นอยู่หูได้ยินอยู่จมูกได้กลิ่นเลิ้นได้รสได้สัมผัสได้สัมผัสอะไรอยู่เห็นว่าอันนั้นคือธรรมชาติแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างธรรมชาติแต่ละอย่างมันส่งไว้ตามภาวะตามหลักตามธรรมชาติของมัน ตันหาที่จะมาควมาสวมรอยเหมือนแต่ก่อนไม่มีแล้วเพราะตันหาตัวนี้ลบออกหมดจดโดยสิ้นเชิงแล้วหากละได้โดยผลงานที่ขับเขี่ยวเอาตะปะทาไปแ พ, เพรเผาเหือดแห้งหายไปจนหมดนี่เราพูดถึงอะไรเนี่ยเราพูดถึงการฟังเป็นศิละปะที่ละเอียดอ่อนมันก็ยองใหญ่ไปมากมายเยอะแย ะ, ย ะ, ยะขณะ น, นี้ฟังเข้าใจกันรู้เรื่องกันหรือเปล่าน ะ, ะถ้าเข้าใจก็รู้สึกเออเริ่มจะมีศิละปะขึ้นมา ไปฝึกซอมศิลปะการฟังให้ดีกันแล้วกันอย่าฟังเป็นแต่ภาคปริยัติภาคปฏิบัติก็ต้องเป็นนี่เราตํางมีไม่ได้ดอกขนาดน้องตาแท้แท้ไปฟังเทศหลวงปู่มั่นตั้งมีตัวเองเลยเราฟังมาหมดฟังเทศสมเด็จฟังเทศพระสังฆราชฟังเทศใครแล้วฟังหมดเข้าใจหมดทําไมฟังเทศหลวงปู่มั่นทําไมถึงไม่รู้เรื่องพออยู่ไปอยู่ไปใจมันเริ่มเข้าถึงธรรม เพราะมันมันหมุนหมุนอยู่ที่ใจถ้าท่านฟังเท่ท่านไม่เอามาหมุนอยู่ที่ใจท่านจะเข้าใจแากมากวันที่ท่านพูดข้ามไปสี่คำห้าคำโอ้มมันรู้น่พูดอะไรแล้วเพราะสติมันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวนั่นถ้าสติอยู่กับเนื้อกับตัวมันจะได้ยินทุกคําพูดเรื่องทั้งหลายมันจะพันกันไปหมดมันจะเข้าใจมันจะสุกบุบโลดีไม่ดีหนึ่งมองเห็นก่อนท่านไปอีกว่าท่านจะพูดไปในไหนท่านจะพูดเรื่องอะไรถ้าเรากําหนดจดจ่อตามฟังดูน่ะเนี่ย ลูกตาพอท่านอยู่กับลูกปู่ม่านอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปโอ้ยกลายเป็นหูสูงเละเป็นหูสูงไม่ใช่เสียดลูกปู่ม่านนะฟังฟังไม่สนุกฟังไม่แซ่บศิลปะมินิมันเหมือนไม่อ่อนเงั้นเถอะอนี่คือใจมันเข้าถึงแล้วรู้เรื่องรู้เรื่องฟังเทศรู้เรื่องฟังมธรรมมันละเอียดลออขนาดไหนเราลองมาฝึกดูให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราอ่อันนี้คือแนะนําให้ได้โอกาให้ได้วิธีไปฝึกหัด ทีนี้ข้อสำคัญอย่างหนึ่งนะการที่เรามาฝึกฝนมาอบรมเกี่ยวกับเรื่องธรรมเนี่ยเราจะต้องเข้าใจให้เราคิดว่าเราไม่ได้มาหาความสะดกสบายนะอะไรขวางหน้าเราเราพร้อมที่จะศึกษาอะไรขวางหน้าเราพร้อมที่จะศึกษาเพราะความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่เรามาประสบพบเห็นความทุกข์นี่แหละจะเป็นหินรับปัญญาให้กับเรา จะทําให้เรามีโอกสาสได้ใช้ปัญญาเราได้ทุกระยะทุกเวลาเราอย่ามืน อ, อย่าลืมมองข้ามใจของตัวเราเองการับติอนุก ต, ต, ต, ติตีเราติอย่างอื่นไปหมดแล้วเราไปแก้ตรงไหนเราไปแก้สิ่งโน้นแก้สิ่งนี้แก้ ser, แก้พระที่ติพระที่ตีพระญาติคนนั้นติคนนีนตนน้ติเรื่องนั้นตีเรื่องนั้นนี่เราไปแก้ได้ยังไงในเมื่อเราไปตีของนอกกายเราไปตีของนอกใจของเราแก้ไม่ได้ เราต้องติดกายของเราลองติดต้องติดใจของเรารองติดต้องติดพฤติกรรมของเราท่านท่านลองไปพิจารณาดูท่านติดของนอกกายนอกใจของท่าน่ะท่านไปแก้ไขอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นเราเราดีได้ยากก็เพราะอย่างนี้แหละเราพยายามพยายามไปแก้เด็กของข้างนอกข้างในงไม่พยายามแก้เราติดของข้างนอกเหตุปัจจัยเป็นเรื่องของของข้างนอกเหตุปัจจัยของเขาไม่ใช่เป็นเหตุปัจจัยของเรา เหตุปัจจัยของเราเราทำได้เราสร้างได้เราปรับได้เราปรับปรุงได้เราเป็นคนดีได้แต่ตรงกันข้ามแล้วก็อ้พัฒนาไ ม, ไม่ไปหน้ามาหลังแหละเพรา ะ, ะแล้วการที่พุ่งออกนอกทั้งหมดนั้มันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของอัตรานี่แหละคืออัตราอัตรามันละเอียดไหมอัตราเนี่ยอันนู้นต้องถูกใจเราอันนี้ต้องถูกใจเราอันนั้นต้องถูกใจเราอันนี้ต้องถูกใจเราเรามานั่งปรุงเพิ่มอัตรา ไม่ใช่พิจารณาให้เกิดอนัตตาเราปรุงให้ให้เกิดอัตตาเรื่องของอัตตาเนี่ยมันจะหมายนน้นหมายนี้นหมายอะไรก็ผิดหวังกันนั้นหมายอันนี้ก็ต้องผิดหวังกันนี้หมายอันนี้ก็ผิดหวังกันนี้หมายอะไรผิดหวังกับสิ่งนั้นท่านทั้งหลายลองไปพิจารณาไล่ดูตามเหตุผลที่ว่าเนี่ยในที่สุดท่างก็ทุกทุกเพราะผิดหวังทําไมจึงทุกเพราะผิดหวังเพราะเหตุปัจจัยมันอยู่ข้างนอก เราไปแก้อะไรไม่ได้เพราะเหตุปัญญาอยู่ข้างนอกถ้าความโลภความโกรธอิจฉาริษยาราค่ทาทนหามันมีอยู่ในหัวใจของเราติมาอยู่ที่นี่หมุนมาอยู่ที่นี่กํากับดูแลแก้ไขอยู่ที่นี่มันอยู่กับเนื้อกับตัวของเราเราสามารถปรับปรุงได้แก้ไขกันได้จากคนที่ห น, นาหนากลายเป็นคนจะบางขึ้นมาหน่อยนะจากคนมืดมืดก็เริ่มชัดสว่างขึ้นมาหน่อยจากไม่เคยจะรู้เรื่องอะไรเลยเออเริ่มชัดเจนเริ่มสว่างโอ้เริ่มปลอดโปร่งเริ่มได้รับความสะดวกได้รับความสบาย มันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราพู่งออกไปข้างนอกทั้งหมดเป็นเรื่องของอัตตาเต็มแพร่ในสุดเราก็มาสร้างนั่งสร้างแต่อัตตาในสมะพุทธิยานาตตานาตาไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องในสุดเราก็เลยมานั่งหาแต่ความทุกข์กใส่ตัวนั่งหาแต่ความทุกข์ใส่ตัวความทุกข์ที่เราไปเกี่ยวข้องผูกพั น, ก, น, นกับสิ่งน้นกับสิ่งนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นกับคนนี้นี่แหละคือเวรคือกรรม สิ่งเหล่านั้นมันกระดูกกระดิกลิ้แพร่งไปที่จิตเป็นมโนกรรมไม่ใช่มันสูญทิ้งเปล่านะไม่ใช่ทิ้งเปล่านะไม่ทิ้ถ้าเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้วเราจะได้สํารูวจร ะ, ะราวังเรื่องกรรมของเราอันนี้เป็นแนวปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติเป็นเรื่องพฤติกรรมเป็นเรื่องของส่วนตัวท่านสามารถทําได้กํากับดูแลได้อย่างมั่นใจจนสามารถมองเห็นความดีของตัวเอง มองเห็นความดีของกายของเรามองเห็นกรรมดีอย่างบริสุทธิ์กายของเราบริสุทธิ์บริสุทธิ์ตามองค์ของศีลวาจาของเราบริสุทธิ์บริสุทธิ์ตามองค์ของศีลใจของเราบริสุทธิ์บริสุทธิ์ตามองค์ของธรรมกายวาจาเป็นเรื่องของศีลใจเป็นเรื่องของธรรมบริสุทธิ์บริสุทธิ์เห็นในใจเห็นอะไรเห็นเจตนา เราทำอะไรทุกครั้งเราจะทันความรู้ความเข้าใจเจตนาของเราในเมื่อเราทำแล้ในเมื่อเรารู้ทันแล้วมันมีเจตจํานงมันมีเบรกมันมีห้ามลอ้อที่จะทําให้เรารู้จักรู้จักจับยัง่งรู้จักหยุดยัง่งนะเพราะมันมีมันมีสิ่งที่เป็นข้างในกับคอยมาคอยกระตุ้นเตือนให้เราได้รับค ว, ความรู้ได้รับความเข้าใจนี่อันนี้อันนี้เป็นแนวปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมของเรา จนเราสามารถมองเห็นกรรมดีของเราโอ้กรรมดีของเราบริสุทธิ์เนาก็เหมือนอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านทัน้งหลายไปศึกษาในพระไตรไปิฎกท่านจะเห็นเล ย, เลยครูบาอาจารย์บางองค์เนี่ยถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้ตั้งใจรีบเร่งบำเพ็ญขวนขวายอะไรเลยแต่ท่านตั้งใจรักษาศีลอย่างเดียวบริสุทธิ์พอเวลาท่านใกล้จะตายท่านมาระ ล, ลึกถึงศีกันโอ้ศีนของเราบริสุทธิ์เนาด้วยกายกรรมนาะด้วยวาจานะใจของเราก็บริสุทธิ์นาะแต่หากบริสุทธิ์ โดยที่เราไม่ได้ชักล้างตัดเกลื่อได้หมดนะมันบริสุทธิ์แค่นว่ามีเจตนามีสติปัญญารู้เท่าทันพี่ชนะได้แค่นั้นนะได้กําลังใจปุ๊บขึ้นมาทันทีเกิดความวิปัสสนาหลุดไปเลยค้นไปเลยนะเนี่ยอันนี้มีมีมีมากประเภทนี้มีมากเพราะฉะนั้นเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้เราจะได้สํารวมระวังเรื่องก่าเดี๋ยวนี้เราขาดความสํารวมระวังพระมาะระวังเรื่องก่าสติไม่ทันความรู้ไม่ทัน ความเข้าใจไม่พอในที่สุดแทนที่เราจะนําหน้ากิเลสกลายเป็นว่ากิลเลสนําหน้าเราตามหลังกิลเลสต้อยต้อยต้อยต้อยอันนั้นต้องอย่างนั้นอันนี้ต้องอย่างนี้อันนั้นต้องอย่างนั้นแล้วไปแก้อะไรได้เพราะทุกอย่างที่อยู่นอกกายนอกใจเราเขามีเหตุมีปัจจัยของเขาทั้งนั้นเราไม่ได้ไปสร้างเหตุไปสร้างปัจจัยอะไรให้เขาเพราะฉะนั้นต้องการสิ่งใดแม้แต่ผัวกับเมียกับลูกอ่าเราจะไปกักเกียนอะไรได้ เราเป็นเจ้าของแต่ตัวเขาแต่ใจของเขาเราไม่ได้เป็นเจ้าของเขานะกะเกณอะไรไม่ได้ในที่สุดเราก็ได้รับความทุกจากการที่เราผิดหวังผิดหวังเพราะอะไรเพราะชอบไปกัดไปเกณฑ์ไปข่าไปหมายไปบังคับให้มันอยู่ในอำนาจของตัวเอง น, น, าานี่เราพิจารณามอดตอนนี้เราเราจะได้ประโยช น, น์วันนี้รู้สึกว่าเรามาป ร, รับตัวนี้เป็นการปิด เป็นการปิดรายการเป็นเป็นการปิดรายการเพราะเป็นรายการช่วงสุดท้ายแล้วแต่รู้สึกว่ายังมีปัญหาค้างอยู่สองสามข้อไหนเราว่ามาเดี๋ยวเจ้าของปัญหาจะไปนอนไม่หลับเอาแต่ทุได้อย่างไรว่าสามารถรักษากายพิธีได้อย่างสมบู้ณ์แบบเจ้าค่ะเจ้าของเจ้าของนะ่ะเข้าไปรู้เองเข้าไปเข้าใจเองเรารู้เขาไม่ได้ดอก นอกจากพุทธเจ้าตัวเขาเองเขารู้เองนะตัวเขาเองเขารู้เองคือความรู้ความเข้าใจหลังจากที่เราขบเขี่ยวด้วยตะปะธรรมแผลด้วยอำนาจของตปะธรรมเนี่ยจนจนจะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นอย่าง แ, แงาจ่มแจ้งชัดเจนโอ้ไม่ใช่เราคําว่าเราเนี่คือ คำยึดคำถือ เ, อเฉยๆเท่านั้นเองไอค้คำว่าไม่ใช่เราก็คือความยึดความถือ เ, อเฉยๆแต่ความรู้สึกที่ว่าไม่ใช่เรามันมีอยู่ไอ้ตอนที่มันรู้สึกว่าเป็นเราเป็นเรามันมีอยู่ไอ้ตอนที่เราเกิดความเข้าใจตรงนี้ไอ้ความรู้สึกว่าไม่ใช่เรามันมีอยู่ความรู้สึกเหล่านั้นน่ะคือคือขีดขั้นบอกเจ้าตัวเขารนะรู้ได้เองท่านจึงบอกว่าปัจจิตต่างปัจจตต่างนะ ปัจจัต่างรู้เฉพาะตัวของตัวเองแต่พระศาสดานั้นท่านรู้ได้เพราะท่านเป็นเจ้าของพระศาสนาท่านรู้ได้หมดบุญบารมีท่านมากพระญาณพทัญท่านท่านรู้ท่านเข้าถึงธรรมพระศาสดายังรู้เลยท่านสอนข้างนอกแต่ข้างในท่านตามไปด้วยคือคุณสมบัติของพระองค์เลยมันสําเร็จมันสําเร็จด้วยฤทธิ์ด้วยเดชด้วยใจของพระองค์เท่านั้นแต่มันหากมีเหตุมีปัจจัยอยู่ในนั้นทั้งหมด มันสเปดด้วยริบิทางใจเท่านั้นองหอ่อเหนินโดยอากาศไปไหนไ ป, ไปด้วยอำนาจ ข, ของใจเท่านั้นนึกคิดยังไงไปอย่างนั้นเป็นไปตามที่นึกที่คิดได้ทั้งหมดอ่าไปทำให้พบใ ห, ให้เห็นให้เจอให้เข้าใจก็แล้วกันกาา เราต้องอาศัยหมอหมอช่วยแนะนําเรื่องยาช่วยแนะนําเรื่องอาการช่วยแนะนําเรื่องวิธีการมาบําบัดมาดูแลรักษาด้วยในใจเราก็ต้องอาศัยธรรมะอย่าไปแต่อาศัยธรรมะเพราะร่างกายนะมันยังต้องอาศัยอยู่ยานอกจากเราจะทิ้งหมดเหมือนอย่างพ่อขาอะไรเนี่ยที่เห็นมีอยู่ในหนังสือพ่อขาวอะไรที่เป็นมะเร็งเนี่ยทิ้งหมดไม่กินยาละตายก็ตายช่นวันนั้นในสุดก็ ด้วยเหตุที่เราตั้งใจบึกบืนมันสามารถทะลุทะลวงไปได้ช่วยชะลอไปได้เราแต่ลรคภูมิ้นท่านตั้งใจภาวนานะท่านป่วยเป็นโรคลงท้องถ่ายท้องอะไรเกิดเป็นเกือบตายที่ทำสาลิกานะพอท่านเอาเลิกทิง้งยาหมดทุกอย่างตั้งใจปฏิบัติจนจิตของท่านเข้าถึงสมาธิขั้นละเอียดน่นนะพอหลังจากนั้นมานะ่ยโรคภัยไข้เจ็บในตัวหายไปหมดนี่คือธรรมโอสถ เพราะฉะนั้นเราจะไปใช้แต่ธรรมะโอสถข้างนอกเราให้ใช้โอสถข้างในด้วยก็พิจารณาถึงสัจธรรมนั่นแหละสภาวะที่มันมีมันเปลี่ยนอ๋อร่างกายมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องเป็นไข้เป็นหนาวมันต้องเป็นหวัดเพราะทุกอย่างทุกๆระบบที่อยู่ในกายของเราไม่มีสิ่งใดแม้หนึ่งเดียวระบบเดียวที่มันจะอยู่เท่าเดิมมันปรับปรุงไปนั่นมันถ้าเป็นท่อน้ำคือไหลไหลๆๆลไหลไหลม่ ในระหว่างที่มันไหลมันเช่นมันเช่มันจะไหลสม่ําเสมอนะบางช่องไหลสะดวกบางช่องไหลไปไหลมีอะไรไปกีดไปกั้นไปขวาไปอะไรไหลสะดวกไหลไม่สะดวกก็มันอย่างที่ว่าอะไรมันเกิดในเสเลือดของเราเป็นไขมันเป็นอะไรแะไรมาแล้วมาอุดมาตันแล้วก็ส่งมาเลี้ยงสมองไม่ทันอ้าวส่งมาเลี้ยงหัวใจไม่ทันแหนด้วยเหตุที่มันไม่หยุดไม่ย่อนั่นแหละมันมันจึงทําให้ความเปลี่ยนแปลงมีขึ้นได้ทุกเรื่อดูให้เห็นตรงนี้ดูพยายามดูให้เข้าใจตรงนี้ เราจะเห็นว่าโอ้ความเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ความตายเจ็บหนักๆทนอยู่ไม่ได้ตายมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะร่างกายนี้อยู่ได้ด้วยเหตุด้วยปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยมันขัดข้อมันไปไม่ได้ร่างกายก็จบลงดับลงสลายลงลมมันเข้าไม่ได้มันกมีแต่ออกออออกลมมันเข้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะปอดฟองแฟบฟองแฟบมันไม่ได้มันทําตัวไม่ได้มันขยับขยับมันมันก็ติดติดแล้วมันจะเอาอะไรเข้าไป มันจะดันออกมาทน่นอนลมมันหมดมันไม่มีลมเข้าพิจารณาพิจารณาถึงขั้นละเอียดมากว่านะั้นพิจารณาให้ตัวเองนอนตายเลยลองพิจารณาลองดูเอาตายดักหน้าไว้เลยเราจะไม่ต้องวิตกไม่ต้องกังวลแต่ในขณะเดียวกันเราต้องอาศัยหมอดูดูแลยุบยาอะไรก็ดูแลรักษาไปแต่ถ้าใจเด็ดใจเหมือนพระขาอะไรเนี่ยเราก็ทิ้งเลยเอาเป็นเอาตายใส่เข้าไปเลย ในส่วนเวลาใจมันสู้จริงๆมันก็ถึงขั้นหนึ่งขีดหนึ่งขั้นหนึ่งมันก็สามารถชะล อ, อะโรคภัยไข้เจ็บได้เพราะโรคภัยไข้เจ็บมันก็เป็นที่กายเวลาเรากำหนดจุดจ่อเราเพ่งแล้วก็เพ่งไปที่กายอ ก, กายกับความรู้สึกที่ใจมันอาศัยกันมันก็เกี่ยวเนื่องถึงกันเพราะฉะนั้นบางอย่างใจมันก็ช่วยได้บางอย่างเราก็ทําไปทําให้เราเข้าใจเนื้อหาของอ่านของทเพิ่มขึ้นมากขึ้นอ้าต่อไปเหลือข้อเดียว การภาวนาแม้จะมีรด ล, ลุกขึกาน ม, มาตลอดแต่เมื่อเวลาผ่านไปจิตมีความเปลี่ยนแปลงเห็นแจ้งตามความเป็นจริงมากขึ้นโดยลำดับจนลึกๆมันเชื่อว่ามาถูกทางแล้วและถ้ายังได้ทำแบบนี้ต่อไปจนทุณงานสิ่งที่มันกำลังเพียร์อยู่ขณะ น, นี้มันจะทำได้สำเร็จในที่สุดถ้าไม่การเสียบอ่อนความเชื่อท่านที่เกิดขึ้นในใจอย่างนี้ ก็เป็นกิเลส ท, ที่กำลอกเราได้อยู่นั่น เ, อ, เอ่ะถ้าระวังไม่ดีก็เป็นกิเลสได้แต่มันเป็นความนึกคิดที่เพิ่มกำลังใจให้กับตัวเราเองถ้าแม้เรามีขีดขั้นในการดำเนิน เ, เราไปยังมีเป้าหมายเราอยู่ยังมีเป้าหมายเราอยู่ยังมีข้อปฏิบัติ เ, เพื่อเพื่อที่จะตั้งใจใหเห็นเข็ดลาบ ในภพในชาติที่เราจะต้องทะยานไปเกิดใหม่ไปได้ใหม่ทําไมเราจะไม่เกิดทําไมเราจะหมดภพหมดชาติถ้าหากเราไม่มาหมุนตรงนี้มันจะไม่หมดคอยคอยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพื้นพื้นนับตั้งแต่เข้าใจเกี่ยวกัเบ เ, เ, กกเรื่องกายต่อไปก็จะต้ะ เ, เข้าใจเรื่องเวทนาเรื่องสัญญาเรื่องสังขารเรื่องวิญญาณซึ่งเป็นกิริยาการของใจเราก็จะพิจารณาให้ได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจละเอียดไปเรื่อยๆ ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ชาวพระรยาสาวกท่านดําเนินไปแล้วท่านทำทำไปก่อนเราแล้วท่านเดินนําหน้าเราไปก่อนแล้วขอให้เราตั้งอกตั้งใจเกรินมั่งให้แข็งแรงให้มั่นคงเจริญให้มากทําให้มากสิ่งที่เราหวังไม่ไม่หมดหวังไม่สุดเอื้อมแน่นอนหมดเพียงเท่านี้อ่าหมดเพียงเท่านี้อ่ เมื่อจะของปัญหาเนี่กลับไปแล้วนอนไม่หลับหละไปคิดไปคิดเพิ่มปัญหามากจนกลายเป็นปัญหาอีกเอานะมาถึงตอนนี้แล้วพวกเราได้ยินได้ฟังแนวปฏิบัติข้อปฏิบัติอุบายวิธีใดๆก็ตามอันไหนที่สะดวกสบายกับจิตกับนิสัยของเราให้เราถือเป็นข้อปฏิบัติ เป็นเครื่องปฏิบัติเพื่อช่เพื่อล้างเพื่อขัดเพื่อกาวทีถ่ถ้าจะว่าไปแล้วนะถ้าจะว่าไปแล้วหลวงพ่อเนี่ยเทากับเป็นเป็นผู้ปรุงอาหารเนี่ยผู้ปรุงอาหารคือคนคนเดียวเป็นผู้ปรุงมีพวกเราคือผู้มาใช้บริการร้านอาหารมีกี่รถ มีกี่ลิ้นมีกี่นิสัยมีกี่รถมีกี่ชาติคนนั้นชอบพรานะคนนั้นชอบพรนะนั้นคนนั้นชอบเพราะนั้นทำยังไงมันจะถูกมั น, ม, นมันไม่ถูกดอกใครชอบรสไหนชาติไหนอะไรยังไงก็ปรุงเอาเองอย่างเว้นแม้แต่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขามีเครื่องให้ปรุงเองมันก็ยังปรุงไม่ถูกใจเลยยังมีการเลือกเลยโอ้ร้านนั้นดีร้านนั้นไม่ดี ท, ทั้งที่เราปรุงเองเนี่ยก็ยังไม่ถูกใจเห็นไหม <laughs> เพราะฉะนั้น การฟังไม่เข้าใจนี่แหละถือว่าเป็นเรื่องที่ลําบากพอสมควรพยายามศึกษาค้นคว้าอยู่ตรงนี้จนทําให้เราได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจฟังแล้วเกิดความรู้เกิดความเข้าใจอันนี้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งเป็นบา ร, รมีอย่างหนึ่งเป็นคุณงามความดีของการปฏิบัติธรรมเป็นแสงสว่างของธรรมเป็นวิบากกรรมของธรรมไม่ใช่ของกิเลสเป็นผลของธรรมความเจริญ ง, ง้อเงยโดยธรรมขอใหเราสั่งสมอบรมไปให้มาก ในที่สุดทุกอย่างที่เราผ่านประสบพ่เพียนมามันจะต้องผ่านประสบพ่อเพียนมาจากการฝึกฝนอบรมเก็บเล็กผสมน้อยด้วยความภาคความเพียรด้วยความอดความทนด้วยวิริยะ usaha อย่างยิ่งยวดกว่าจะสะสมสร้างเนื้อสร้างตัวของเราได้มาถึงขั้นนี้มาถึงระดับนี้พวกเราฟังอันนี้เป็นข้ออุปมาแล้วพกเราก็เข้าใจขอทุกคนได้ตั้งใจปรับปรุงชีวิตของเราให้ประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกัน อ <c oughs> เอามีอะไรอีกทีนี้อืมอันนี้อันนี้เจกตอนนี้เหรอฮะมีหลวงพ่อเมตตาเนี่องเนี้ยฮะ กราบเสร็จแล้วแกเอากราบกราบเสร็จแล้วมารับ ธรรมดาเนี่ยหลวงพ่อพระพุทธเมตตานเนี่ยเนี่ยหลวงพ่อพระพุทธเมตตานะและและข้างหลังนี่ก็มีหลวงตาด้วยนะเนี่ยหลวงตาอะไรก็ไม่รู้เนี่ย นั่งก่อนออกไปยังไม่ได้นั่งก่อนดีเนาะพวกเราเข้ามาตรงนี้นี่บอกง่ายง่ายเนาะอเลยนะบอกนอนบอกนอนสอนง่ายไม่เหมือนเราอยู่บ้านเราเนาะ บ้านเราเนี่ผัวบอกเมียก็ไม่ได้เมียบอกผัวก็ไม่ได้บอกลูกก็ไม่ได้ <laughs> มาอยู่ตรงนี้บอกง่ายง่าย <laughs> ออหลวงพ่ออนุโมนากับทุกคนนะอ๋อเอ า, เอามามาตอนเนี้ยมาตอนเนี้ยหลวงพ่อพระพุทธเมตตาหลวงพ่อพระพุทธเมตามตาอืออือ อะไรไม่รู้เราไม่ได้นับเราลืมนับจะคิดว่าพ อ, อมามาม า, มาก่อนได้ก่อนมาหลังหมดก่อนอไปไปกรอบไปใส่กรอบให้ดีหลวงพ่อพระเมตตาพระคุณเมตตา เกือบเป็นเกือบตายใช่ไหมฮะยิ่งอดยิ่งอดทนได้ยิ่งสบายลเลยฮะไปอนุโมทนาบุญด้วยกับทุกคน มอเนี่ยหมอเป็นจัดห้เดินนี่นี่นี่พระเนี่ยหมอเนี่ยเป็นคนจัดหายเดินนี่หายยัไม่รับเลยนะครับพวกพวกแก่รับเลยครับรับเลยเลยเดี๋ยวหมดกานะครับเดี๋ยวไหนเดี๋ยวไหนมาไปกอดด้วยนะครับมาไปกาดด้วยได้ครับอยู่นี้มีทุกเดือนนะอยู่นี้นะ โอกาสหน้ามาอบรมอีกนะวันนี้มีทุกเดือนอวันนี้มีทุกเดือนเราอดซะหน่อยหนึ่งโอ้เราได้ความดีเพิ่มขึ้นเยอะเลยให้ชีวิตของเราเนี่ยเราอยู่บ้านเราเราทำไม่ได้หรอกเพราะเราบังคับตัวเองไม่ได้ ทราไมาอย่างนี้มันมีระเบียบบังคับเราต้องอยู่ได้มีระเบียบบังคับผิดระเบียบก็ไม่ได้คนอื่นต้องทนได้เราก็ต้องทนได้ไดคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้มีความสาคัญมีความจาเป็นการที่เรามารวบรวมกันเป็นกลุ่มมากเป็นหมู่มากไม่ได้ประโยชน์อย่างนี้มันเป็นการพยุงซึ่งกันและกันอให้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยกันทุกคนเนอะ อา้อาวอ้าวอืมตายยังไม่อีกเลยเ อ, อ้าวอ่ามีแม่ครัวดูแลหมดทุกอย่างทุกเรื่องในนี้อ่าเอาต่อไปต่อไปโอ้โอ้โอ้จานสุวิทต์โอ้สุขภาพแข่งแรงดีอ่า อือืมเอาเอาเอาข้าวพิธีซะดีดีดีดีดดมูเพื่อนมารับอยู่ที่นี่ก็ดีต่างคนต่างไปที่โน้นเขไม่ไหวหลยมนที่เกียสิงหาข้าที่แล้วนี่ก็โอ้ยสองสามวนเนี่หลวงพ่อไม่มีเวลาพักผ่อนเลยในภาษาด้วยหมูเพื่อนไปเต็มไปหมดหลังไหลกันไปจากไหนต่อไหนเต็มไปหมด <c oughs> นี่วัน น, น, นี้วันนี้ก็เผาหลวงตะเพิ่มเนะี่ย เผาลูกตาเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยเผาเสียเมื่อวานเสียตีห้าเมื่อวานมันเสาร์วันนี้วันอาทิตย์เราก็บอกเออไม่ต้องเก็บไว้นานครับเราอยากจะทําบุญใหญ่ตอนไหนขนาดไหนเราเราก็สามารถทําได้แต่ตอนนี้เราก็วางเข้าโครงใ ห, ให้เราเราให้ทําระดับนี้ไปก่อนเก็บอัฐีเก็บอะไรใส่ตอนหลังจะทัานนั้นวันจะทนนี้วันเราค่อยมาทำทำบุญกันใหญ่กันลูก ต, ตาท่านก็หมดอายุไขไปเลยแหละ เพราะว่าร่างกายเจ็บแค่ได้ป่วยพอระยะหลังอาหารไม่ค่อยได้พอแต่ว่าก่อนที่ผมจะมาเนี่ยจะมาขึ้นเครื่องมาวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ไปพูดด้วยไปอะไรด้วย <S <S ลวงตาท่านนอนหายใจสบายสบายเอ๊เราต้องได้ไปชงนี่ลวงตาทำไมหายใจสบายแท้แสดงว่าปอดลวงตาไม่มีปัญหาอะไรเลยหายใจสบายสบายแต่แต่ด้วยเหตุที่อาหารไม่ค่อยได้ผมว่า อ่านไม่ค่อยได้ใส่ไปไม่ค่อยได้ท่านไม่ฉันยุงยาอะไรระยะหลังท่านก็ไม่ฉันใส่ไปท่านก็ทิ้งหมดใส่ไปท่านก็ทิ้งหมดแต่ ม, มันก็เป็นอายุไข80ปดสกว่าปีมันไม่ธรรมดาหรอกเอาเอาเอาพร้อมแล้วทำได้ พวกเราอาจจะไม่รู้จักนี่หลวงพ่อสุวิทย์นั่นอาจารย์ป้อมอยู่วัดเขาชลาวัดเขาชลาเนี่ของหลวงปู่ชัยหลวงปู่ชยเนี่ยเนี่ยปรามาทําวัดเนี่ยนี่อาจารย์วะอยู่วัดป่าบัวแก้วทองผาภูมินุ่นนี่มามงมีอยู่สี่องค์ห้าองค์นี่ท่านาจววิจาวาสอยู่ที่นี่นะสักหน่อยหนึ่งจะอารวาสแล้วเนี่ยนะ คนนั้นมากติคนนี้มากติอารวะสอะไรนี่ <c oughs> <c oughs> อ้าวตอนนี้พร้อมแล้วคืออย่างน้อยเราให้พระมาอยู่เป็นหลักองค์หนึ่งเนี่ยี่มีต้นฐานเนี่ยได้ดูแลคอวัดอะไรต่วอะไรให้มันเข้าร้องเข้ารอยมีครูบาอาจารย์มาก็ให้ได้ตอนรับปฏิสันฐานเพราะมีมครูบาอาจารย์เข้ามาทุกเดือนเข้ามาเป็นผู้อบรมไม่ใช่เราเหมารับอบรมคนเดียวนะ ครูบาอาจารย์เขาเปลี่ยนทุกเดือนไปเลือกเอาใครเข้าไปเจอใน น, นั้นเราเลือกเอาที่ชอบอาจารย์องค์ไหนนะชอบอาจารย์อาจารย์ตาละปัตโตนเนี่ยเราก็เลือกเอาที่อาจารย์องค์ไหนอ่ะอาจารย์บอยเงี้ยเราก็เลือกเอาที่อาจาราตตนนย์อาจารยนะ์ตาละปัโตเนี่ยอาจารย์อะไรนะอาจารย์สมปองเงี้ย นี่ตันถาก็าอยู่ตรงนี้ตันาเอ๊ะตรงนี้มันมีคลื่นของสำนักพุทธนะเราก็เลยเราก็เลยฟังไอเอ็พสามเราไปที่สำนักพุทธโอไปเจอตาละปัดตัวพอดีโอ้โหตึงตั้งแต่หัวหัวหัวต้นจนสุดสนุกมากเลยใครนิสัยชอบอย่างนั้นก็มีแต่ยังงั้นก็เป็นธรรมถ้าหัวใจเราเป็นธรรมเราฟังเป็นธรรมหมดนะ ถ้าหัวใจเราไม่มีธรรมเป็นกิเลสแม้แต่เราตั้งใจเอาธรรมะมาพูดบแท้ๆมันก็ไม่เป็นธรรมมันลำบากอย่างหัวใจของเราเ อ, อพยายามคุณให้เจอเอาจะตั้งจะตั้งใจทำวัดาจำอกกันนะค ร, รับอ้าพอเราโยมก็ทาด้วย เราอย่าไปเสียประโยชน์ทำไมมองพร้อมกันนะนะครัมอง there a เมฆ ม, มิตับบงมางในเทศกาลเข้าพรรษาอย่างนี้เป็นขนมเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีที่ครูบาอาจารย์พระเนนเรามักจะไปกราบเยี่ยมกันแล้วก็ทําคารวะอาจาริเยปมาเดนะเป็นธรรมเนียม 1. เราขอเข้ามากันในกรณีที่เรามีมีมีโทษผิดข้องมองใจกัน 2. เราขอเข้ามากันในคราวที่เราจะจากไปที่อื่น 3. เราขอเข้ามากันในคราวที่เรามาจากที่อื่นที่ไกลเป็นการมาขอคารวะกันกลายเป็นขนุน ก, กลายเป็นธรรมเนียมที่เราเคารพนับถือและอ่อนน้อมต่อกันแต่โดยความเป็นจริงแล้วพวกเราไม่มีเวรไม่มีภัยอะไรต่อกันดอกแต่เนื้อหามันก็บ่งบอกถึงางา น, นในสุดเราก็พยายามทําจะให้ได้ตามนั้นได้ก็จะยิ่งดีเพราะเรื่องของใจนะมันเป็นมันเป็นเร็วยิ่งกว่าลิงถ้าเราสํารวจมัด ร, ระวังไม่ได้ขนาดบางคนเนี่ขอแล้วขออีกขอแล้วก็อีก ขอเข้ามาแล้วเดี๋ยวขออีกขอเข้ามาแล้วเดี๋ยวขอเข้ามาอีกเพราะอะไรเพราะเราเอามันไม่อยู่มันเรื่องของใหญ่มันเป็นเรื่องลําบากนะเพราะฉะนั้นทหาเราตั้งใจอยากสำรูจระมัดระวังให้สำรวจระมัดระวังกรรมกายกรรมวจีกรรมและมะโนกรรมสำคัญที่สุดให้สํารวมอย่างยิ่งเราถึงจะเป็นผู้สามารถเห็นความบริสุทธิ์กายกรรมของตัวเองบริสุทธิ์วจีกรรมของตัวเองบริสุทธิ์มโนกรรมของตัวเองบริสุทธิ์บริสุทธิ์ในการคือได้ตามขนบตามธรรมเนียมประเพณี ไม่ใช่บริสุทธิ์โดยเหตุที่เราละกิเลสได้ทั้งหมดแต่ถ้าหาเราถือเราละได้อย่างนั้นทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องเยี่ยมสำหรับชีวิตจิตใจของเราพ้นทุกพนโทษพ้นเวียนพ้นภายในวัฏสงสารเพราะฉะนั้นผลอันนี้สงทั้งหลายทั้งปวงที่พวกเราทั้งหลายอุตส่าห์ตะเกียรตกายรวมทั้งผู้ปฏิบัติที่เข้ามาปฏิบัติอบรมในครั้งนี้ด้วยที่เราอุตส่าห์ตะเกียรติกายเสียสละเวลานามารมทั้งครูบาอาจารย์หลายๆวัดสองวัดสวัดเนี่ยขอให้ผลที่เราตั้งอกตั้งใจ บำเพ็ญมาอนนี้เสียสละมานี้จงกลายเป็นมีอา น, นิสงส์ส่งผลให้เราประสบความสุขความเจริญตั้งใจปฏิบัติธรรมขอให้ได้ดได้ทำโดยทั่วหน้ากาัน<อ> เ, เดี๋ยวเดี๋ยวให้พรให้พรเสร็จแล้วครูบาอาจารย์มารับของให้พรรับพร <c oughs> ตั้งใจรับพร น, นะ ยาทาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวเมวเอโตทินังเปตานังอุปกปตีอิชิตังปฏิตังตุมหังก <c oughs> ิปเมวัสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยทามนิโชติระโสยทา สพีติโยวิวัชฌันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาศสีลิสนิจังวุ ธ, ธาปายิโนจตาโรธรรมาวัทันติอายุวโนสุขังพระหลังภวะตุสัพพังลังรักขันตุสั พ, พเทวตาสัพพุท ธ, ธานพาเวนะ สัทาโสถีพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพธมานุภาเวนะสัทาโสถีพวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังคาณุภาเวนะสัทาโสถีพระวันตุเต <S 1> <S 1> <S เออหมอได้ทำใบโมดนาบัรฝากไปไหม <S 2> <S 2> <S 2> ฝากไปด้วยฝากท่านป้อมกไปเนี่ยท่านป้อมพี่พี่น้องๆ้อประกันร่วมทำโรงพยาบาลกับหมอมาเนะี่ยร่วมสร้างโรงพยาบาลจบแล้วทีนี้แล้วเราจะออกไปเท่าไหร่ ไปสองครึ่งเหรอโว้ยมันจะสามแน่นฮะึงองและพระเิกก่อนแล้วพอนีเลิกตามหลังเหรอแล้วก็แล้วก็แล้วชวนไปทุกคนไหมให้ไปเอาบุญอีกตอนหนึ่งไหมฮะใครมีเวลาไปแวะไปได้ก็ไปไปร่วมเททองหล่อพระพุทธเมตตาเอ๊ะฟางนี้เปล่าฟางที่เราแจกไม่น้อยนี้เปล่า รพระพุทธเมตต า, ตามที่เราลอนั่นนะ่ะที่เราหลอลอพระพุทธรูปฟปางฟังพระพุทธเมตตาใช่ไหมฟางพระพุทธเมตตาุลวงพ้าพระพุทธรู ป, รรปอ้าวตอนนี้มาอ้าวหลวงพ่อที่ระลึกจากมุยสิดวงแก้วโดยคุณหมอพีโรส อืมแล้วไปอ่๋พวกเราก็ได้ไปแล้วใครยังไม่ได้มาเอาเด้ออ๋อก้ะพูดนจะไม่ตามเมื่อกี้นี่ใครยังไม่ได้มาเอ า, เาเอา๋ อ, ม, ม, ม, ม, อ, อมีใครเสียตลาดสักคนหนึ่งมีไหมรับรองเลยแหละรับรองไม่มี ี่เออมาอ๋อรับไปให้หมอด้วย ระวังนะเดี๋ยวตื่นเต้นออกไปขับรถขับลาต้องดูให้ดีนะแมเราเพ่งได้อัดได้ทําดีเหลือเกินเนี่ยสนุกเพลินไประวังให้ดีนะทิติสตังต้องอยู่กับเนื้อกับตัวบนท้องถนนเนี่ยต้องระวังทุกระยะทุกเวลาเรานั่งไปบนรถเราไม่ต้องระวังแล้วเรามีแต่หลับก็หลับแหละอือ อากาเย็นนี้ครับก็เพราะว่าเผาหลงถ้าเพิ่มเข้าไปไม่ทันเผาดอกพรุ่งนี้เราอาจจะไปทันช่วยเก็บกระดูเก็บอะไรเขาถ้าให้ไปนิมนต์ขอไปนิมนต์พระมาทั้ง20่สิบวัดนะก็หมูเพื่อนท่านตายเยอะหมูเพื่อนท่านตายเยอะเราก็บอกระวังนะไปนิมนต์นิมนต์ไปนิมนต์พระมาหมดทั้งประเทศไทยนัระวังนี้ อันนี้อันนี้ถือไปให้ถือไปถือไปที่วัชนธรรมอที่ัชรธรรมเผื่อหมอเขาจับบางส่วนไปไปไปด้วยใช่ไหมไปรองพาด้วยใช่ไหมไปร้องพระด้วยใช่ไหมเออไปไป